การทำกันตอนเช้าตอนเย็นจะเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมเราได้ฟังเราได้ทำเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำํำในสิ่งที่เราได้ฟังมันเกิดความสมดุล น, นอกจากนั้นเราก็อยู่กับธรรมชาติกับปา ธรรมชาติมันก็ช่วยเราก็เกิดความสมดุล <c oughs> อย่าไปเก่งกว่าธรรมชาติให้ธรรมชาติจัดสรรเราความสงบเ ก, ก่้อยู่ตามธรรมชาติตามห้เราได้ สงบไปกับธรรมชาติด้วยจิตใจจะไปคิดผงา้างมาอยู่กับธรรมชาติอยู่ความสงบ อ, อาจจะรู้ทรอขึ้นมาเอ ง, งานจะให้ดูกับธรรมชาติจริงจิงเดี <c oughs> ยไป อยากทำมันเก่งอยาปรุงปรุงแต่งบางทีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติกลิก่นเสียงเสียงสมบกลิ่นธรรมชาติจากอากาศจากใบไม้ให้เราได้สัมผัสกับความสมบกสม คกเข้ารอยิยงของเราได้เจริญสติเป็นคู่กับธรรมชาติเข้าไปอีกสติก็ไม่อยู่ในกายของเราเข้าไปอีกกายก็เป็นธรรมชาติส่วนหนะึ่งสติป็ะพาให้ดิ่งลงสู่ธรรมชาติทำให้เกิดความปกติหลายๆอย่างที่ช่วยเรา ที่ช่วยเราอยู่แต่ขอให้เราได้ช่วยธรรมชาติทยายมที่จะสร้างสรรให้กลงกลืนนะอย่าแตกอย่าแยกอย่ารีดของขวานอะไรก็ไม่ถูก อ, อกถูกใจตัวเอง ชีวิตตัดสินเอาในใิสัยปัจจัยตัดสินเพื่อจะให้ได้ปรุงก็ม่ค่อยดีต้องปรุงมันเป็นสังขารผลผลของสังขารก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลออื่อนลอยมันจะชีวิตถ้อยไว้มน กิ่งไม้แห้งๆสั้นหน้าพัางยอดอยากเอต้องมันม่นคงมีความรู้สึกตัวกับกายกับใจหลับหลายๆอย่างที่มันทำให้เกิดเสียงแวดล่องในตัวเราดีเข้าลูกเข้าลอยเข้าที่ชีวิตที่เข้าที่ เราก็จัดจัดการกับชีวิตตนเองแล้วเราทํางานทานําการจัดการกับงานอย่าให้มันข้ามสาเร็จเสร็จสิ้น <c oughs> สิ่งไหนที่ไม่ใช่ปกติสิ่งไหนที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็จัดการให้ลงตัวหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ลงตัวนะ พิกมือขึ้นยกมือขึ้นก็ลงตัวสู่ธรรมชาติได้ธรรมชาติาาก็เลยธรรมะก็คือธรรมชาตินะ่ะไม่ใช่ของปุงปุงต่แต่ไม่ใช่ประดิษฐ์ประยอรไม่ใช่โกเก๋ไม่ใช่ไขว้เอาอะไรมันเลอะเลิกไมใช่ธรรมชาติน่ะธรรมะธรรมะคือธรรมชาติในโลกก็เป็นธรรมชาติน้าก็เป็นธรรมชาติ ตัวในตัวเป็นธรมม ร, นธรมชาติทั้งหมดมองอะไรให้เป็นธรรมชาติทั้งมนั่นเคยทาเฉยๆเป็นหมดลยแที่ไหนก็ในใจธรรมชาติช่วยเรธรรมชาติมั้นยิ่งใหญ่ถ้าเข้าสู่ธรรมชาติได้แล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เค็ไมไม่ตาม่าง ตรงที่ไม่เกิดไม่เก็บไม่เก็บไม่ตายคือธรรมชาติตปกติความโกรไม่ใช่ธรรมชาติความปุงความทุกขความรักความชัง่งไม่ทั้งใช่ธรรมชาติความตรุงตรงนั้นเป็นตรงที่เกิดแก่เก็บตายตรงที่ไม่เป็น อ, อะไรตรงธรรมชาติปกติอยู่เป็นนินสตั้งไว้ถูกต้อง ตัวนี้เป็นตัวเทกภาวะที่ไม่เกิดไม่แข็งไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายเราอยู่ไม่ไม่เลือก ว, วิสัยที่เราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาในตายในใจของเรามีสติสร้างสติพยายามดูมันจะมีสิ่งที่ทำให้หลง ก็เกียนความหลงเป็นความรู้ขยันรูเอาไว้เป็นทุนขยันรู้เอาไว้เป็นทุนเก็ให้มีเพื่อให้มากทำให้ได้มันมากได้ความรู้สิบตัวแต่ว่ามันก็หมดไป รักษาขยันเฉยๆแตว่าไม่รักษาเมื่อเราทราบสมบัติอุอกาศรักษาหัวใจเศรษฐีอุก็คือยัอ่ะพอจะรักษาการอนุญาตมิตเป็นคนอนุญาตมิตกับตัวเองมีคือคาตธรรมกับตัวเอง เรื่อคิดเป็นาการคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องต่อมาตรอมาในความคิดต่อมาในคำพูดตรอมาในการกระทำธรรมาชาติก็เสื่อมเอนกันล้วก็เรามีเงินในทองประมาในการใช้จับก็เสื่อมเป็นหมดเป็น ไม่มีกัลยาณมิตไม่มีกัลยาณธรรมแลกชาตมาชาภาินี้มีเท่าไรก็ไม่ได้ครับนี้ก็เป็นกันละไม่มีตัลยาณมิตรกับตัวเองมีกัลยาณธรรมกับตัวเองกัลยาณมิตรภายนอกไม่มีเราก็เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองให้อุ้นใจ อยู่ที่ไหนอย่าว่าไปจาอระแท่งในอบอุ่นใจนั่งฟิงตน้นไม้นั่งเก้าอี้ในป่าก็อุณนใจเหมือนว่าโลกแนี่ยมีตัวเราคนเดียวพออยู่ได้หรือว่าโลกเนีเราคนหนึง่งทุกอย่างนะความหลเลืลนความสดเชื่นความอาอุ่น เนั่งในป่าคนเดียวก็อก่นหล่มเลื่นชื่นป่านดักไม่ใช่เหี่ยวแหว้เพราะว่าพราะองค์องหน้าองหลักไอ้ชัดวัเนเราต้องสร้างอนแต่ก็เรียกร้องอะไรมาการเรียกร้องมันทําให้เหือดแห้งมันทําให้เหี่ยแห้งทําให้บกคล้องความอิ่มเ อ, อิบความสดชื่นมันมันทําให้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 มีสติสมรชญญามีศีลมีสมาธิมีตัญญามีมักมีผลนุตรใมึงไบบหมดเลยทำย่อมรักษาภูระพุทธธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วแต่ถ้าเราไม่ศึกษามันก็หลุดขาดชีวิต เ, เราค่อยที่จะขาดก่อยที่จะหลุด ไม่มั่นชีวิตที่ไม่มั่นชีวิตที่ปลอก บ, บาดกลายเป็นใจประใจสอกใจปลอกมาดไม่ทนคนารู้สึกตัวความรู้สึกคนามละเอียดาบความปกติพาให้ใจิตใจเข้มแข็งคงทนทนจนไม่มีวันเกิดวันแก่วันเข็บ ว, วันตายมั่วมันเกิดลองเลยสองสามมันเกิดปวดหนวดปวดนิ่ รู้สึกตัวความปวดก็รู้สึกตัวละความว่วงก็รู้สึกตัวละความคิดุงซ่านก็รู้สึกตัวละมันมีอยู่ในทุกอย่างความรู้สึกตัวมันใช่มันเลือกที่นะเราจะสวดพระพุทธเจ้าจะแสดงว่าอาการอิโกอาการอิโกไม่มีการไม่มีเวลาทำเนี่ยความรู้สึกตัวไม่มีการไม่มีชาติวันนะ้ไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่เนืาอ ไม่ใช่เพกไม่ใช่ไหวนะเป็นความรู้สึกตัวไม่มีตาไม่มีเระล่ถสามารถรู้ได้เอาไปรูนะ้เลยที่มันหลงมันจะเด็กมันจะเด็กมันจะมีฝีมือถ้ามันหลงเรารู้ไนดะ้จะมีฝีมือเหมือนคนทํางานที่มีฝีมืออะไรที่มันเพกเข้าไปแก่เรียกหาคนมีฝีมือเข้าไปแก้แก้ได้เราเรียกว่าเข็ก เขาก็เจ ง, งแต่ว่าคอแก้ได้ถ้าคนที่ไม่เคยแก้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เจงสักทีในความทนในขณาที่มันล่มเร็วหรือันขณะที่มันควอมแย่งความแพรนะโบราณทาราเป็นบัณฑิตเพราะถูกตักเตือน ไม่ใช่เป็นบัณฑิตเพราะธนุธนงต้องขนาดแล้วขนาดอีกจิ่จงก็เป็นบัณดิตหละเหมือนเราหริอาตักกับระอนุนเราจักขนาดแล้วขนาดอีกไม่มีอยุดเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษีอีกไม่มีอยุดผู้ใดนี้เก่นสนนั่งยงจะทนยได้มันจะทนเวลาที่ ในภายนอกในภายในเราก็พยายามเตือนหลอแต่มันง่วงมันจะตื่นเวลามันง่วงมันอ่อนแอมันจะตื่นเมื่อเวลามันอ่อนแอมันคิดผุ่งสั่นมันจะสงบขนาดที่มันผุ่งสัตนนั่นก็งี้งแต่บทฝึกเรียนทั้งนั้นการเจริญสติได้บทเรียน ไม่ใช่เราไปนั่งหลับหูหลับตาบริการกเข้าไปหายใจบริกรรมเข้าไปอ่อนเข้าไปสงบเข้าไปเลยไม่มีบทเรียนเลยอ่อนไปเลยการเจริญสด็แบบที่เราทำเนี่ยมันได้บทเรียนมันเทปทุกอย่างผ่านทุกอย่างผ่าร้อนผ่านหนาวทุกอย่างผ่านระ้อนมันก็ได้อบมันก็ได้คุณภาพ ผ่านหนาก็าได้อบได้คุณภาพเหมือนเหมือนแร่ที่มันจะเป็นทองคําได้มันต้องผ่านอบมามันจึงมีคนณภาพหรือมีดผานอบผ่านร้อนมามันจึงมีคุณภาพเข็งแข็งแข็ง แ, แ, แกรก่งไม่ใช่อะไรที่มันออ่ อ, อนๆลู่ๆคำๆไม่ใช่ การเจริญเสต็ไม่ใช่การลูกคำไม่ใช่การลูกคำไม่ใช่ทนกถนอมผจญเผชิญกับทุกอย่างการเจริญสต็งผจญกับทุกสิ่งทุกอย่างเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนออกไปแล้วเหมือนเหมือนพวงน้อยขาดแม่อ ขณะที่มีแม่มันก็อ่อนแอเวลามันขาดแม่มันก็ไปเชิญกับทุ้งกันเราเอาตัวรอดมาดเรเนนะเาเรียนเก่งนะเราเลยเก่งกันเองหลบรู้จักหลบรู้จักการรู้จักเวลาชีวิตของเราก็เหมือนกันการเจริญสติเนี่ยมันเปิดเผย ไม่ได้ปิดตาตัวเองเลยเปิดอะไรจะมาก็มาเพราันเราลืมตาแต่เห็นอะไรก็เห็นไม่ใช่ห ล, ล, ลักตารลบหลีกมันจึงเอาชีวิตรอดได้เพราะเรามีตามันมองอะไรเห็น <c oughs> คนมีสติก็เหมือนมีตาหน <c oughs> เห็นกระท่างความคิดเห็นกระทางกิเล็ก ไม่เคยเห็นความคิดตัเองก็เกิดเห็นความคิดตัเองไม่เคยเห็นสิ่งที่ทําให้เศ้ามองก็เห็นสิ่งที่ทําให้เศ้ามองพอสติมันไม่ไม่ไม่เหยียด ไ, er, ไม่ปิดบงังสติเป็นสิ่งที่ไม่ปิดบังอาําพรเป็นสิ่งที่เปิดตัวให้ให้เห็นหมันชีวิตเราเปิดตัวต่อไป เป็นสามีกัญญ า, า, า, กาก็เปิดในความรักกันพิจารณาแล้วก็เปิดออกรักเก่งรักแท้รักเทียมเพื่อนแท้เพื่อนเทียมมิตรแท้มิตรเทียมก็เปิดออกมาปรตัดสินใจได้ทีนี้เรากำลังการเจริญเฉดเห็นความคิดมากเห็นความง่วงมากเห็นความปวดความเมื่อยมากเห็นอาการต่างๆ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 มันอยากวัตถุอาการต่างๆที่มีอยู่ในรูปในนามวัตถุอะไรที่มันเกิดอาการออกมาแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็จบไปจบไ ป, จ บ, ไ ป, จ, บไปจบทีเดียวเห็นกองโกรธความจดกองโกรธกองไม่เป็นอะไรคือคกองโกรธแล้ว ม, มันคืออะไรมันคือคือกองโกรธกองโกรธไม่เกิดกิจกันลอเห็นความหลงอ่ เห็นความไม่ลงอะเลือกได้เห็นความโกรธเห็นความไม่โกรธเห็นความโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ขยันตท่าเห็นความหลงขยันเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเห็นความทุกข์ขยันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์อ่แล้วก็ปัดเรียกว่าปฏิบัติแหละมันขยันของมันเองแต่ก่อนไม่ขยันเพราะไ่ตังว่ามีสติแล้วมันเกิดการขยัน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 อันนี้เราถูกเป็นประมาทนะการจัดการกับตัวเองมันเป็นประมาทมันจริง่นะมันจริงเช่นความโกรธเป็นเพรไม่จริงเพไม่โกรธจริงขวบ ป, ประมาทนะใครใครบอกไม่มีใครบอกปฏิจจตังปฏิจจตังเห็นเราเองนะความหลงนะ่ะมันเป็นธรรมพรไม่หลงเป็นธรรมขวบถูกต้องขวบนะไร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 คนจะเสตินะด้วยตีมือเราด้วยมือของเราเองนะการเดสตินะใ <c oughs> ม้มันเราไปทำมันเลยการทําำมันต้องในเหตุปัจจัยหลายนะลอย่างรอผูอ้รอคนรอหัวหน้ารอผูอ้หลักผู้ใหญ่รอเวลาวันนั่นวันนี้อันนี้ไม่ใช่นะเป็นัวกปฏิบัติที่เป็นกรรมที่อยู่กับมือที่การกระทําของเรา จะบอกกรรมฐานวิชากรรมฐานารรฐา น, นักภาวนามันมีอะไรที่จะเยี่ยมไปกว่าวิชากรรมฐานการศึกษาชีวิตที่มันมีผลลัษธ์มีบทเรียนมีประสบการณ์มาก <c oughs> วิชากรรมฐานเนี่แมันหลงเห็นไหมมันลู่เห็นไหมต้นลูกับต้นหลงมันเป็นยังไงลองคิด ที่มันรักคิดกับตั้งใจคิดมันเป็นยังไรควรที่จะใช่ส่วนไหนเลือกอะไเป็นชีวิตที่เลือกอะไรการปฏิบัติธรรมเอาให้ถูกต้องที่สุดเป็นสัมมาทิติที่สุดสัมมาทิติในคนคิดสมาธิฏิในการพูดสัมมาทิติในการกระทำสัมมาทิฏฐิไปอยู่ในทุกคนทุกแห่งในนิจฉาทิฏฐิ ถ้าทีใดมีมิจฉาช้าทิฏิที่นั่นต้องเป็นสมาธิทันทีเพราะผู้ปฏิบัติทำมันจะเป็นขนาดจันโนพระเจ้าแสดงธรรมจักกะปวัตตมสุทเรื่องทางเรื่องทางสุดตรงเรื่องทางตันเรื่องทางทานโหดด่าคนฟังก่อปัญญาคนทันยะฟังเห็นด้วยทําตามไปด้วยเป็นโลแก ทางใจนั่งอยู่เฉยๆคนเดินไปเดินไปเนะี่ะเดินไปสู่ความมลูล่หนีไปจากความหลงไกลไปเรื่อยๆนั่งอยู่แค่เดียวก็ไกลไปเรื่อยๆไกลความหลงไปเรื่อยๆไกลความโง่หลงมันมาไปเรื่อยๆความเทศเดี๋ยนั่งเดี๋ยวนั่งไกลไปไกลจากธาตเสร็ไกลจากกี่เลยมันไกลไป ไกลทางวัดพัฒนาวัฒนะรรเจริญขึ้นของชีวิตนะแต่วันมันเดีย ต, ต่าๆพอฟังไปฟังไปมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่าเลยเป็นพระอาเลียนโดยไม่รู้สึกตัวไกลจากข้าศึกตัวไต่รู้สึกตัวแตค่ความโกรธอยู่ใกล้ๆเร้่ความโกรธมันไม่ใกล้แล้วความทุกข์อยู่ใกล้ๆแต่เรืความไม่ทุก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 เหมือนแต่เราทิ่งก้อนหินใส่ฟาผนังมันไม่มีทางที่จะเก็บได้แต่ก่อนมันเหมือนดินเหนียวทิ่งใส่ฟาผนังก็ติดนะถ้าเห็นลหลวงโพธิยินเสียงเม้าไปกินดินในรถมันก็ไปไกลประเที๋มันไม่เป็นอะไรมันก็มีคุณภาพ มันทำเป็นมันคนมีรีมือทำงานทำการตัวตรงนั้นใส่ตรงนี้มันคนมีรีมือทุงอาหารให้เป็นรถยังไงจะให้เป็นยังไงอันอนี้ก็เหมือกันมีฝีมือใช้ชีวิตบริสุทธิ์ ก่อนนี้ไม่มีทีมอะไรใช้ชีวิตพลงพลังยุ่งเยหเยื่ออ่าตาลาเทเวปันจักรขันธาเป็นของหนักแต่นี้มันกลายเป็นของเบาเรียกว่ากายละหัวตาความเบากายกิจแต่ลหัวตาความเบากิดแต่ก่อนมันหนักหนักพลงพลังตาลาเทเวปันจักรขันธาขันทัณห์เป็นของหนักเลย เต็ม ด, ด้วยลูกด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณหนักอึ้ง <c oughs> บางทีเวทนาไม่ไมพอไปซื้อเอาผมคืนเราสัญญาก็เจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาความรักก็เจ็บเอาความชั่งก็เจ็บเอา ความยินดีค ว, นนความเย็นได้ก็าเจ็บเอาความสุขความทุมกข์คเจ็บเอาบางทีก็ข้นเอาอสังขารก็พยันาพยันาลุงเหลือเกินอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลืนเป็นความกลางวันเป็นเรวยันามปัจจุไม่เป็นมันไม่นอยมันไม่เพร า, าว่าที่ไม่ปรุงะมัน มันมีทุกอย่างภาวะที่ปรุงมันขัดแคลนพวามไม่ปุงมันอุดมสมบูรณ์ตัววิสังขารเราเห็นเย่นีนนน้ปฏิบัติทำรู้จกักพอยกมอือซายจาังหวะลูดสึกตัวพอาลูดสึดตัวไปมันหล ง, ลงไปเอากลับมาหาตอนลูดมันไม่ลูดวิธีนี้เอาทางอื่นหัดเตียนเติอนจงกลมว่าให้ลูดสึกไปลูดสบายสบายลูดปกตินะ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 เห็นหนามในรูปกเมรยัยอะไรแย่ๆในนามอะไรัยแย่ๆก็มอบให้ส่วนรูปส่วนนามมันไปบางคนละเรื่องกับตัวเราไปเห็นเวทนาก็มันก็เป็นเรื่องของเวทนา <c oughs> อ่าบางทีขอบคุณด้วยเวทนาเวทนาของรูปเวทนาของนามมันมีเป็นสัญญาณภัย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 ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นความหนาวสัญญาณภัยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นล้วก็ไม่ใช่เอามาเป็นทุกเบทนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารก็เป็นทุกวิญญาณก็เป็นทุกมันไม่โตเบทนาไม่เป็นทุกสัญญาไม่เป็นทุกสังขารไม่เป็นทุกวิญญาณไม่เป็นทุกเพราะมันใช่วิญญาณใช่ผู้นั้นมันเห็นแจ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 เป็นเป็นเอามาเป็นปัญญามาเกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้เลยเอทนานะก็เป็นปัญญาสัญญาก็เป็นปัญญาสังขารเป็นปัญญาวิญญาณเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสังสอนสารกทั้งหลายเป็นส่วนมากพระสารกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากเอวังโกรังสาวกเกลิมเลติที่เราสวดธรรมัตรนะ พ, พระพุทธพระพากยเจ้าย่อชมชงแนะนําสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากไอ้วังกจาจักพลัสภคกัตโตสาวเกส่วนอุซาเสนอนุซาเสนคือมากนะสองสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างนี้เป็นส่วนมากก็เลยเปี่ยนเอาเอาสิ่งที่ลงโทษหลอ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 อาเรียชดอาเรียบุคคลไม่เป็นโทษเลยมัเป็นกัญญาเหมือนคนมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาใช้เป็นประโยชน์แต่คนไม่มีความรู้เอาไปชาติไฟฟ้ามาลงโทษทุตตายไ ป, ไปเล่นไฟตุตตายปกไ ป, ไป <c oughs> เอาลูกมาเป็นประโยชน์เหมือนกับพุ่งแพร่ไปขีดข่านฝากไปแช่เอามาแบกบเอามาอวด เวทนาก็บรรลุธรรมได้เวทนาก็เป็นโทษอ่ะเวทนามาเป็นโทษเวทนาอมาเป็นเครื่องบรรลุธรรมปัญญามาเป็นเครื่องบรรลุธรรมสังขารมาเป็นเครื่องบรรลุธรรมพ้นแล้วไม่ทําอะไรให้เราไม่ได้เห็นรูโลกโูกทุกโลกโลกโูกธรรมชาติอาการในโลกมี่อาการเยอะแยะ ในน้มก็มีอาการแย่ๆกิเลสก็มีอยู่ใน ล, ลูกกิเลสก็มีอยู่ในน้เทีที่มันเป็นลากานที่มันมาก่อมาใช่รูกใช่ น, นามให้เป็นกิเลสลูกก็คือร่างกายนี่นามก็คือขิดใจดดกิเลสมันมาใช่นามให้ให้เป็นกิเลสให้นามเป็นกิเลสให้เข้าข้างกิเลส กิเลสอะไใช่ใชลูกให้เกิดกิเลสเข้าข้างกิเลสรับใชก่กิเลสรับใช่ความชั่วเอามารับให้เอามารับใช่เพื่อเป็นทุกข์เพื่อเป็นสุขให้ลูกให้นามมารับใช่สุขมารับใช่ทุกข์พอมาเห็นลูกให้นามหลับก็บอกเลยว่าต่อแแบต่อแต่นี่ไปอ่ ต่อแต่นี่ไปจะไม่ใช่รูปใช่นามให้ทําชั่วคิดชั่วแต่ก่อนนี่มันใช่รูปนามมันเอามาคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเอามาทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษแต่นี่ไปจะไม่มีโทษอยากใช้รูปใช่นามเป็นประโยชน์ามาเป็นเครื่องมือเป็นประโยชน์อันนี้นะมันเจงว่าอยู่ในกำมือของเราพอเห็นแล้ว ก็ใช่เห็นแล้วใช่เป็นแต่ก่อนไม่เห็นอะใช่อะไรไม่เป็นเลยะใช่ไม่เป็นเลยใช่กายก็ไม่เป็นใช่ใจก็ไม่เป็นเอาทีใช้ให้เป็นความรักความชางความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงขลิตัาหาไปไปโน่นนะก็เลยใช่ผิดประเภทใช่ผิดประเภทมันผิดศีลศีลของพระเ้าไม่ใช่ศีลสมาทาน ใช่ลูกใช่นามเป็นนี่แหลเป็นผู้มีศีลอะไรเกี้ยวกัคนใช่อะไรติดประเพศนะใช่ลดขิดประเภทนะใ ช, ทใช่อะไรที่เป็นกฎตายเขาบังคับไว้เพื่อความเป็นครรมคุ้มครองคุ้มครองผู้ไม่สุขุลีห้ามสุขุลีในห้องน้ำห้ามสุขุลีในสาธารณะ จวพูดดี <c oughs> ผิดที่ก็ผิดกฎหมายเป็นโทษตัวเองแล้วคนชีวิตเราคือันกันความเป็นธรรมใมันโอ้ถ้าตั้งต้นจากตัวเราแล้วไปเสด็จจริงๆกลับไปเถอะกลับไปบ้านไปเป็นสามีที่ดีไปเป็นภรรยาที่ดีถ้ามีแล้วนะไปเป็นแม่ที่ดีไปเป็นเพื่อนที่ดี ไปทำงานให้มันสำเร็จประโยชน์ไปดูแลไปช่วยนะคนที่ต้องการให้เราช่วยอย่างเยี้ ย, ยากเห็นเราเป็นคนดีนะเพื่อจะได้เครื่อาศลาสารีก็อยากเห็นภรรยาเป็นคนดีภรรยาก็อยากเห็นสามีเป็นคนดีจะดีจริงๆรงนะเพราะมันต่างเก่าพ้นเพราว่าก่าเหมืนก็ คอบครัวหนึ่งที่กำลแก้ข้ อ, น, อน้องชายน้องชายเห็นที่สาวเห็นใบหน้าพี่สาวก็เลยท่วงขึ้นถนะ่าพี่เนี่ยขาดบุญนะดูหน้าพี่เป็นคนขาดบุญแรงพี่ว่าพี่ไม่เคยไม่ค่อยได้ทำบุญ เป็นชีวิตที่ขาดบุญมากมากไปเถอะที่ไปทําบุญเดือดร้อนอะไรก็กลว่าจริงที่เขาไม่มี่ยกาดทําบุญเลยนอนก็ไม่ค่อยเหลั่คิดมากคิดมากเฉลี่ยต่อค่อนคืนไปแล้วตื่นก็ตื่นสายไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทํามื่อไรเขาตื่นขึ้นมาก็งานกดทับเข้ามา ไม่ทําก็ไม่ได้งานทับเข้ามามาบังคับให้ทําก็ทําไปเหน็ดเหนื่อยอ <c oughs> เหน็ดเหนื่อยมากพา <c oughs> ถึงเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้มีแต่ปัญหาลูกก็เป็นปัญหาสามีก็เป็นปัญหาะจัดทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาจะแยกกันก็แยกไม่ออกจะแยกไม่ได้ทำท่าจะแยกกันก็ไปไม่รอด แกไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันก็มีจัดความจงเกลียดจงจำอุอ๊ฮอะรก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติถูกต้องพอมาปฏิบัติก็เย็นลงใช่ไกลับไปว่าสามีเห็นภรรยาแตเอ๊ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมจึนเป็นคนละคนเอาไปมามาด้วยกันทั้งลูกทั้ง สามีภรรยาเด็กนี่ก็พอในความสุข <c oughs> ไม่ไม่ขาด บ, บุญมันมาพอมีบุญบใจิตใจที่มีบุญคืออปุ่นจัเห็นหน้ากันก็เกิดบุ่นตื่นใจชื่นใจมีไหมเห็นหน้ากันเป็นบุญมาพ อ, าอใจชื่นใจภรรยาเห็นหน้าสามีโอ้ เ, อเย็นหลบสามีเห็นหน้าภรรยาเราเย็น เพื่อนเห็นกันก็เย็นนนนชื่อจากมันอุ่นจัดนะถ้าเราก็ให้ความอุ่นจัดแก่ทุกสิ่งทุกอย่างไปช่วยแล้วก็ไม่ไดคิดอะไรมันก็เป็นหน้าที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> ะ, ะทิเวจารีตังกองเจนะให้ตายะพรองค์ชน้าสุขายะโรกาโนกรรมตายะให้ไปให้ไป อิสูทั้งหลายไปไปช่วยเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อคุณแก่คนหนู่มากเพื่อประโยชน์ต่อโลกอบอกให้ไปแล้วก็ไปจรงๆใปโนดแไปนี่ไปไปช่วยกันเพราะนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ตนอย่างเดียวมันเป็นประโยชน์ต่อโลกด้ว ประโยชน์ตนประโยชน์าตประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อพระจักรารทางการาปฏิบัติธรรมนะมันมีจริง ม, มันเป็นโกเป็นกรรมมันทำได้ความรู้สึกตัวพิกมือขึ้นสิบสี่จังหวัดก็ได้ความรู้สึกสิบสี่ครั้งทำกับไปทามาเดินจงกรมชัมอง่งเก้าหนึ่งเก้าและกน้นาที เก้าหนึ่งวินาทีหนึ่งลูกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง็ดีประชาก็ไมชาเกินไปจะไวก็ไม่ไวเกินไปถ้าชั่วโมงหนึ่งถ้าลูกทุก้าก็สามพันหกรอยลูกอ่ะมันก็เป็นกรอบเป็นกำขึ้นมาเมื่อมันลูกถึงชั่วโมงและสามพันครั้งมันก็ต้องมีมากแน่นอนความหลงก็จะม้อยลงแน่นอน พวามรู้กับควมหลงมันตรงกันข้ามเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างดวงอาทิตย์พนท้องฟ้าพนเมฆเป็นเวลานี่แสงเงินกําลังเกิดขึ้นความมืดมีโอกาสหมดไปแล้วแสงเงินไม่น้อยแต่ก็กําจัดความมืดได้น้อยนอยถ้าแสงท้องเกิดขึ้นก็กําจัดความมืดได้มากถ้าเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็กําจัดความมืดได้มากความรู้สึกตัวอะไรก็เหมือนกัน แระลูดสิบสี่จังหวัดกรลูดสิบสีข้างสิบสี่ข้างสิบสี่วินาทีก็ได้ความรู้สิบสีข้างมันก็เป็นกอฏเป็นกรรมอย่างนี้นะไม่ใช่ฝ่าไว้ใช่เพื่อฝันนะที่เรามาทำไปหนะไม่ใช่เป็นเรื่องเพื่อฝันเป็นเรื่องจริงเราทําจริงเราสัมผัสได้จริงเอ้าเวลามันหลงเราก็เขียนควาหลงเป็นความรู้ได้จริงจริงนะ อาบานทีมันอาจจะโกรธน ะ, นจจะเรียนความโกรธได้จริงๆในแพกตาเดียวเพระลัมพารก็ทําแบบนี้มันมันเป็นภาคปฏิบัติมันเป็นภาคที่มีเหตุมีผลทันทีมีเหตุมีปัจจัยทันทีแก้เหตุผลก็เกิดทันทีมีผลก็มีเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นมาเราก็รู้ได้ตอบได้ เพราะทำสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้มั่นใ จ, ะจะเราบ้างเฉลิมเสด็จมั่นใจเอาไปเฉลยกับอะ ไ, ไรก็ได้ไปเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเฉลยเป็นกุญแจเอกเปิดได้ทุกที่นะในชีวิตเราเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องการเรื่องใจนะความรู้สึกตัวอะไร น, นี่ให้มากในชีวิตเราเรามาสร้างตัวนี้กัน ได้ยินมั้ยหลวงพ่อเล า, านิทานหรือว่าหลวงพ่อเล่านิยายหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรได้ยินมั้ยได้ยินไหมหลวงพ่อเลานิยายเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรหลวงพ่อพูดเรื่องท่องพ่อเรื่องใต้ดินนะหลวงพ่อพูดเรื่องอะไร เพิ่มเรื่องชีวิตเราทุกคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขวัญไม่ใช่ปฏิภาณโมหันไม่ใช่ไปจําใครมาแต่พูดตามคำสอนพระพุทธเจ้ตตาที่สวดต่อนาจะมาศรัทธาจะมาเบื่อหน า, นานจะมาศรัทธาจะมาเบื่อหน า, นานคนที่พูดคนที่พูดไม่ใช่หลองพ่อความเขียน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 ทำโทษอ่ไม่ใช่เ <s> ล <departure> ่ามีอ okay, ย่าไม่ใช่เพื่อฝันให้ติดโทษให้ทำออกนะอนี้ก็สมควรเจริญนะสดสัพตวาพุทธลัตตน์สัพตวาธรรมลัตตน์สัพตวาสังฆลัตตน์สดชื่นโดยคุณธรรมน่ะ อราเองเองเราเนี่ต้องต้องให้มีพอสมควรไม <c oughs> ่ใช่จะมในแต่คนรู้เป็นพยาบาลเป็นนายแพทย์ให้มันสดชื่นไปไปช่วยคนเห็นหน้าหมอโอ้อุู้ใจว <c oughs> ันน่ะเขาก็ไปทำฟันฟันไม่ค่อยสบยหมอเขาบอกว่า เราตัวจตรวจโอ้พันหลวงพ่อรักเสกต้องขูดเจ็บเจ็บหน่อยนะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรตอนเจ็บในทนได้เขาก็ถ้าเจ็บว่ากก็บอกนะจะใส่ยาชาเราก็ทำเขาทำปั่นถ้าเจ็บก็ถ้าเจ็บก็ยกนิ้วขึ้นนะหลวงพ่อเออหน้าวันนี้ก็จะ ลวพ่อก็ไม่ยกนี่วเก็บอยู่แต่ว่าไม่ยกนิ้วเลยก็รู้ว่ามานทำมันต้องเก็บนพ่อก็ทาให้สักชั่วโมงนอนเอือบหลับไปหลับไปกับความเจ็บก็ได้นะใช่ไหมแต่ว้าเจ็บนะหลับไม่ได้นะพ่อก็ว่าเสร็จแล้วหลวงพ่อหลวพ่อก็ม้วนปากเ็บปากเทปอะรเกลูกออกมาเป็นอให้แลวงพ่อ แล้วพ่อเกือบหลักไปเก่นท้องดีจ้ะแล้วก็หมอรอทั้งห้องเลยพ่อหมอฟันะทํายหล้วก็จังหลับหลวงพ่อไม่เจ็บเหรเจ็บก็หลับได้หมอเนี่ยฝีมือดีมากทําดีมากเลยทั้งหมอรอดกันทั้งห้องเลยพ่อไปบาลพ่อพ่อตบหมอฟันอะอะไรไ้จะไปทุกข์เหรอเจ็บก็ทุกข์เลยไม่ทุกข์ก็ได้เจ็บเหรอนะได้ไหม นาทำอะไรเอาเจ็บไปทุกข hey, nah. oh, okay. ah, ์ก็รักใช่ไหมแอลเอสันกับโสดอ่ะปะปะป